มสาสการหลวงพ่อครับมีคําถามครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเคยเพ่งแล้วก็ล้มกระดานปฏิบัติใหม่ทีนี้มันล้มกระดานบ่อยมากประมาณอาทิตย์ละครั้งวเราเนี่ย <c oughs> เหรออาให้ได้วันละครั้งก <c oughs> <c oughs> ็เลยอยากจะขอคําแนะนำหลวงพ่อแน่แล้นะเอาวันละครั้งตื่นขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่เรามีชีวิตใหม่ทุกวันชีวิตเมื่อวานที่ฝึกมาแล้วปฏิบัติมาแล้วลืมมันไปใช่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 หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั faithful, ้นก็รู้หยุดหายใจก็รู้อะไรเงี้ยนั้นสอนง่ายๆพิกูุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้นะเดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้พิกูุท sí? ั <Five. S 1> <two> ้งหลายก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้คุกก็รู้เหยียดก็รู้จะเคลื่อนไหวทาอะไรก็คอยรู้ไปถามว่ารู้อะไรก็รู้ร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรา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 เดี๋ยวบรรลุนิติภาวะแล้วว่าจะตั้งเป็นกรรม ก, การบังคับให้ลูกส่งรเปล่าเดี๋ยวชักสงสัย <c oughs> ว่าไง <c oughs> วันนี้ก็บังคับแม่มาด้วยค่ะปัญญ <c oughs> ส่งอะไร <c oughs> ยังไม่กล้าส่งให้คนอื่นก่อนไปแล้วเดี๋ยวมาส่งนอกรอบอบิ๊ก์ครับวันนี้ผมมีโมหะครับแต่ว่าวางฟอร์มด้วย วางฟอร์มครับแต่ผมว่าช่วงนี้ถ้าไม่ต่อหน้าหลวงพ่อผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะก่อนจะจับไม้อยังดีอยู่ถ้า จ, จับไม้แล้วเลยเสียแก๊กครับติดแ ก, ก, ก๊กไปนิดนี่ไม่ใช่ไทยแ ก, ก๊กนี่ไทยแ ก, ก๊กอ่าวว่าไปแล้วครับไม่มีอะไรจะส่งแล้วครับงั้นก็ส่งไมน้นแนไปข้างหลังนี่ลูกศิษย์วัดโน้นวัดจันทร์าเวสโกใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่ใช่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 ที่ติจริตรักข้จริตผมไ ม, นานนานไม่ทราบว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วก็เวลาปฏิบัติของผมก็คือเช้กากลางคืนจะสวดมนต์นั่งสมาธินะแล้วเวลา ป, ปกติก็จะตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ทราบว <é, S 2> ่าจะปฏิบัติอย่างไรดีครับที่จะถูกส่งไมมาแล้วคุณก็นั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูนั่งไปเลยนะเหมือนที่นั่งจริงๆนะอลืมหลวงพ่อซะแล้วนั่งไป อ, อ่าวิลา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 คือไม่แทรกแซงหันเลยหยไมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นตลอดอเลยค่ะอืมดีแล้วสังเกตแม่ขันก็ส่วนขันนะ <c oughs> แล้วทำงานของเขาไปใจของเราแยกออกมาจากขันพรากออกจากขันใช่ค่ะดีฝึกไปเลยนะวันหนึ่งก็จะเข้าถึงธรรมะนะค่ะ <c oughs> ฝึกไปเถอะ <c oughs> ในชีวิตนี้ต้องได้อะไรบ้างแหละ <c oughs> อ่ะเบอร์79 <c oughs> การาบนรรมส ก, การพระตางค่ะเอ่อ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 <c oughs> มันต้องติดนะถ้ามันไม่ติดนะมันหลุดพ้นไปแล้วแ <l ug> ล้วควนะรอาจารย์ให้กันบานเพิ่มได้ไหมคะอะไรนะให้กันบานเพิ่ม <c oughs> มีอะไรบ้าง<ม>ดูไปเรื่อยๆใจเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมานะคอยรู้ไปเรื่อยๆเราจะชอบปรุงอย่างส่วนมากนะเวลาเราจะเข้าไปใกล้คนอื่นเราก็ต้องปรุงขึ้นมาให้ดูดีๆอะไรเงี้ยนะวางฟอร์มอะไรพวกเนี้ยเราคอยรู้ทันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะดูง่าย เป็นไหมเวลาเข้าใกล้คนนี้ต้องทำท่าอย่างนี้เข้าใกล้คนนี้ต้องอย่างนี้เป็นบางพัง <c oughs> แล้วหลังๆนี่พอรู้สึกว่าเวลาตะกอดเนี่ยเวลาอยู่กลุ่มรวมกับเพื่อนหรือ น, นั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ย <c oughs> คุยเวลาเขาคุยเราก็จะเมาส์ <c oughs> คือมีอารมณ์ร่วมกับเขาค่ะ <c oughs> สนุกสนานไปตามเรื่องที่เมาส <c oughs> <c oughs> แต่หลังๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าอยากแยกตัวออกมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้หนีโลกอย่างที่เจริญบอกว่าควรอยู่กับโลกให้ได้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 ฝึกไปเรื่อยๆจะมีความสุขมีความสุขขึ้นมาเองก็เคยเคยสังเกตตัวเองหลายครั้งว่าพอเริ่มมีสติรู้รู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะแบบมีความสุขโชยขึ้นมาเล็กๆแล้วก็แบบเผยยิ้มออกมานิดๆอ๋อนั่นแหละนะมันยิ้มออกมาจากข้างในเลยมันมีความสุขทางกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นนานแล้วไม่ได้สักทีส่งไปเลยเฉียงๆไปนะเฉียงๆช่วยกันหน่อยซ้อมไว้เผื่อไปวิ่งพลัดขอบคุณค่ะ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 มันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นงนั้นนะมันหมดกำลังใจก็รู้ว่าหมดกำลังใจไม่เลิกมันเบื่อรู้ว่าเบื่อไม่เลิกมันเป็นยังไงก็ไม่เลิกน ะ, ะส่งไปข้างหลังอาจารย์เรืองชัยนำ้ำมศการหลวงพ่อครับไม่มีการบ้านส่งฮะมาเพื่ อ, เ, อ, อเติมพลังลก็มีหน้าพลังหลวงพ่อหมดไปเรื่อยๆ <laughs> ของหลวงพ่อคงไม่หมดรดีแล้วนะจิตมันตื่นแล้ว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 พอเรามีสติขึ้นมาเราคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆเราก็จะรู้เลยว่าการที่เรารักษาศีล น, นั้นนำความสุขมาให้แต่เดิมเราคิดว่าการถือศีลทำให้เป็นพุกนะถือยากแต่พอเรามีสติศนะีลมันเกิดขึ้นเองเวลาที่เราจะทำกรรมชั่วละเมิดศีลเนี่ยเราละอายแก่ใจเห็นไหมมีฮิรีมีโอตับปากขึ้นมาละอายใจกลัวบาปไม่อยากทำหรอกถ้าทาไปแล้วจิตเศร้าหมองเห็นหมศีลมันเกิดขึ้นเอง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 ไปดูว่ามันรักยังไงครับ เ, ออเสร็จแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันเมตตาตัวเองมากมแล้วก็ฝึกตรงนี้ให้เป็นสมถาะาช่วยได้นะได้น ะ, จะเจริญเมตตาตัวเองได้ส่วนมากมันจะเป็นราคะมากกว่าเมตตานะก็เป็น<ม>ห่วง<ม>อยู่เมตตาเนี<ม>่ยนะมันเป็นความเป็นความรู้สึกเป็นมิตรนะไม่ได้หวังจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของราคะเนี่ยอยากเอามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ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 ซึ่งซึ่งความจริงแล้วผมคิดว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้อะเพราะอัตตาอยังเต็มไปหมดมันจะไปรักสักระศักยะจิตได้ยังไงอืดูไปดูไปเรื่อยๆทาแค่บางทีแค่ขับรถไปเนี่ยแค่แซงเขาได้ก็เห็นอตตานะฮะอัตตาขึ้นมาแล้วเออเก่งนะดีดเต็มไปหมดนะครับมองไปทางไหนก็เห็นยังไม่รู้เลยว่าจะจะไปรอดหรือเปล่า ร, รอดรอดดูอย่างเนี้ยรอดนะครับ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 เหมือนทำข้อสอบมาน้าตอนนี้ได้ห้าคะแนนแล้วไปดูบ่อยๆอยู่ได้หกคะแนนขอบคุณค่ะอสี่แปดไเจ็สิบแปดไปคนสุดท้ายแล้วเอา้านี่ย่อมือไว้ย่อยงมือไว้เขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนดีใจนึกว่าจะอดอ้าวไวๆมีเวลาน้อยเอมเมื่อที่ที่แล้วที่มาปรึกษาลุงพ่อตอนนี้อยากจะมาขอบคุณเนะะี่ยค่ะเพราะ<ม>ว่าใจสบายขึ้นแล้วแล้วก็